เกิดความรู้ความฉลาดขึ้นมาจึงสามารถละบาปได้ไการละบาปได้ของท่านตรงนั้นเนี่ยเป็นบุญขึ้นมาทันทีคนที่ทำบาปเยอะแยะค้าคนเป็นพันคนว้างกันเถอนะอย่างท่านพระองคุลีมานแต่ถ้าให้คนอื่นทั่วไปเข้ามาวิจารณพิจารณาเขาก็คงคาดการกันว่าบุคคลผู้นี้ก็กงไม่พ้นกำหนดเดรจานปปิดพิสัย ไม่พ้นสิ่งที่เป็นคุ่เป็นตารางไม่พ้นจากการถูกฆ่าถูกประหารแม้ในตอนนั้นท่านพระเจ้าเปรเซนที่โกศลก็แต่งกองทัพเพื่อที่จะไปทำลายโจนุ่งกุรีมาในสมัยนั้นแต่เพราะการที่ท่านละบาปเสียได้เป็นผู้ลอยซึ่งบาปในใจของท่านที่เคยทำมาสร้างมาจิใจเป็นบุญแล้ว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 มีความชั่วความผิดต่างๆที่ยังละไม่ได้มีความยึดถือยังไม่ปล่อยวางความรู้ก็ไม่เกิดอาชีะคิว่าตัวเองปล่อยวางอยู่แต่เดินไปด้วยโมฮะความรู้ยังไม่เกิดจิตใจที่เป็นแบบนั้นจะเป็นใจิตใจที่เป็นบาปแน่นอนต่อให้เขาจะมีอํานาจบาตใหญ่มีกองกําลังมีความรู้ความสามารถอะไรต่างๆก็ต่ำบวชเปรียบเทียบกับอีกคนหนึ่งที่เป็นคนที่ลอยบาปละ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 คนที่มีบุญมีจิต ใ, ใจเป็นบุญเป็นกุศลจะมีอํานาจเหนือจิตไม่ให้จิตมามีอํานาจเหนือเขาได้คนที่มีจิต ใ, ใ, ใจเป็นบุญเป็นกุศลมีอ <inspire> ํานาจอย่างนี้เขาสามารถทําสิ่งที่เป็นกุศลได้ทําสิ่งที่ทํำแต่ยากแต่คนที่จิตใจเป็นบาปตกอยู่ในอานาจของจิตอํานาจของปัจจัยอำนาจของสิ่งที่มากระทบเขาจะเป็นท่าของสิ่งนั้น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 บุคคลที่มีอำนาจเหนือจิตนี้จะสามารถละความเป็นตัวเราของเราของจิตนั้นไถ้าเราละความเป็นตัวเราของเราของจิตนั้นได้ก็เหมือนอย่างโพธิสัตวที่นั่งอยู่ใตต้นไม้โพมีจิตเป็นผู้ที่ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอในกุศลระรับทั้งหลายเป็นผู้ที่ไม่ถอยกลับจากการทำความเพี่ยนก็สามารถละ ความเป็นตัวตนของตนของจิตนั้นได้เห็นตามจริงว่าจิตนั้นไม่ใช่ของเราเมื่อจิตที่เราล่าความเป็นตัวเราของเราได้ณนะวินาทีนั้นแนหะท่านผฟังนะบุญก็ถือว่าลอยด้วยบาปก็ลอยออกไปณนะวินาทีนั้นท่านผู้ฟังทั้งบุญและทั้งบาปก็ถือว่าจบกันไปลอยออกไปที่ข้พาพเจ้าพูดเรื่องนี้ท่านผู้ฟังเพราะว่ามีท่านผู้ฟังบางท่านได้ เขียนจดหมายมาถามถึงกรณีที่ข้าพเจ้าเคยสอนว่าเอสตินั่นมันก็ต้องดับให้เราเห็นสติเป็นสิ่งที่เกิดดับเห็นปีติเห็นสมาธิเห็นอุเบกขาเหล่านั้นเป็นสิ่งที่เกิดดับเพื่อให้เห็นความจางคลายเห็นความดับไปของเจ้โพชฌงทั้ง7จ็จะทําวิชาวิมุติให้เกิดขึ้นได้แต่จริงๆอันนี้เป็นพุทธผลโดยซ้ำในการที่เราจะต้องให้เห็นเจ้าโพชฌงค์ทั้ง7เนี่ยในลักษณะที่